ช่วงช้ามันช่วงที่อากาศสงบอินทรีย์สละใจสงบช่วงของประสาทสมองอินทรีย์ทุกส่วนมีมีความพร้อมอัง น, นั้นเหมาะที่เราจะศึกษาทรปมปารุปธรรมรฟังธรรมไปตามประวัติแล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้ ในช่วง เ, เช้าอย่างเนี้ยตั้งแต่ตีสองถึงเจ็ดโมงเช้านั้นเราก็ได้ควรจะศึกษาถึงเรื่องของตัวเองประตูของเราเป็นที่ตั้งของความสุขความทุกข์เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาเป็นที่ตั้งของสติปัญญาเป็นที่ตั้งของ โลกของจักรวาล น, นะอยู่ที่ใจเราหมดถ้าเราเข้าใจเราได้ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วในชีวิตของเราก็จะไม่มีทุกข์หมอนนะชีวิตของเราก็จะมีแต่ความไม่ทุกข์แต่ไม่มีความสุขหรอกชีวิตจริงๆไม่ไม่มีความสุขแต่มีความไม่ทุกข์อยูนะ่ความไม่ทุกข์มีอยู่เพราะความสุขกับความทุกข์ ก็ว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันเป็นเหรียญคนละนาหรือว่าคนละขั้วเท่านั้นเองเป็นสิ่งเดียวกันอันนึงเป็นหน้ามือนึงเป็นหลังมือนั้นสุขทุกขเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่คนละด้าน <c oughs> มันก็มือสว่างนั่นแหละมือสว่างก็อยู่ที่เดียวกัน อยู่คนละวละโอกาสท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่เหนือทั้งสุขทั้งทุกข์คือความไม่สุขความไม่ทุกข์เราจะเลืใช่คําว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ให้เราสัมผัสสภาวะนี้บ่อยๆสุขมาแล้วก็ไม่เสพไม่เอาทุกมาก็ไม่หนีไม่ผลักไม่ต้าน ก็ดูมันทั้งสองอย่างนั่นแหละดูทั้งสุขทั้งทุกข์ดูมันศึกษามันเข้าใจมันทุกข์เป็นสิ่งต้องกําหนดรู้ธรรแต่ท่าไม่ได้บอกให้ดับท้าไม่ได้บอกให้หนีท้าไม่ได้บอกให้หลบท้าไม่ได้บอกให้ละทุกข์ทุกขนะ์กเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้สุขทุกข์กเป็นสีเรื่องศึกษา ทุกเป็นสีที่ต้องเข้าใจแต่ในความทุกเนี่ยเป็นคำรวมของคำทั้งหมดเป็นดวงของคำว่าปัญหาความอดอยากยากจนความเศร้าความโศก ค, ความไม่สบายความร <c oughs> ะ, ะทมขมขืนอะไรต่างๆรวมไปที่ยอดวัตทุข เพราะฉะนั้นองที่เราประสบความรวมคําว่าความไม่สบายกายเรียว่าทุกขะความไม่สบายใจเรียกว่าโทมนัสทุกขโทมนัสสานังอตถังขมายะโสกะิเทวานังสมติกมยะถ้าเราเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะมีอนิสงฆ์หประการที่เราสวด แล้วก็สติที่ถูกต้องสงมาสติเท่านั้นนะมันจะได้อนิสง์หาประการเอกายนามัคเอกายโน ม, นมโคทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เรามีอนิสง์หาประการประการที่หนึ่งทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ที่ใช้คาว่าสัตตานังวิสุทธิยาประการที่สอง ทำให้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยข้ามเราข้ามได้เราล่วงได้เราพ้นได้เรากําจัดได้กําจัดความไม่สบายกายไม่สบายใจประการที่สความโศกเศร้าพิลรำพันความระทมขมขื่นความอึดอัดขัดเคืองความไม่พอใจต่างๆมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ มีสตินะประการที่สเราจะรู้จักตัวเองในส่วนที่เราควรรู้จักเราจะเข้าถึงตัวเองในส่วนที่คนจะเข้าถึงเราจะเห็นตัวเองในส่วนที่ควรจะเข้าคนที่ควรเห็นเราจะเข้าใจตัวเองในส่วนที่จะเข้าใจและเราจะบรรลุถึงตัวเองในส่วนที่จะควรบรรลุประการที่ห้า เราจะทำการสงบเย็นนะให้ปรากฏความสงบเย็นที่มีอยู่แล้วในในกายในใจเนี่ยที่แล้วแล้วมามันไม่ปรากฏมันก็จะทำให้ปรากฏได้ตามต้องการทำให้เกิดได้ตามต้องการทำไม่มีได้ตามต้องการอยากจะได้ความสุขตอนไหนก็ทำได้อยากจะได้ความเย็นตอนไหนก็ทำได้ ความเดือดล้อนความทุกข์ไม่ต้องการก็ทําได้อั น, นิสงห้าประการตามภาษาบาลีท่นานใช้คำว่าสตานังวิสุตตยาทุกัโทโธมน า, านัสสานังอัทังกัมยะสสกบริเทวนังสมติกมายะยายัสสะอธิกมายะนิ่พานัสสสัจจิกริยาห้าประการเนี่ยเป็นอา น, นิสงส์งของการเจริญสติ ทีถ้าเราเจริญสัมมาสติยังไม่ถูกต้องเนี่ยอันน้สงฆ์ให้ประการนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ที่เราจะเจริญสัมมาสติให้ถูกต้องได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งต้องทําความพ่อยใจบ่อยๆศึกษาบ่อยๆฟังบ่อยๆทดสอบบ่อยๆพิสูจน์บ่อยๆกําหนดรู้บ่อยๆปรับปรุงบ่อยๆขัดเกลาบ่อยๆ มันก็เป็นไปได้ประการสุดท้ายคือแก้ไขบ่อยๆทีนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรเรามาที่นี่มันมีทั้งคนเริ่มต้นมีทั้งคนคันกลางและมีคนศึกษาขั้นสูงไปแลนะ้ะก็จะเรว่าการศึกษาศึกษาเบื้องต้นรือศึกษากายซะก่อน <c oughs> ถั่ใช่ว่าการตามดูกาย ตามศับพงใชิว่าตามดูมีสติตามดูกายท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูนะไม่ใช่กำหนดดูไม่ใช่เพ่งดูไม่ใช่เขาไปเพ่งไปพินิจไปกำหนดไปจุดไปช่องไปวังครับไม่มีท่านไม่ใช่คำนั้น ท่านใช้คำว่าตามดูเท่านั้นนะอนุปัสนากายาอนุปัสนาแล้วนะให้ตามดูส่วนใหญ่เรามันทําผิดกับตรงนี้มันเลยยากนะเราไม่ได้ตามดูเรามีแต่จะเพ่งดูมีแต่จะบังคับดูมีแต่กดบังคับจุดจ้องมันก็เลยเป็นออกมาอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานมันกลายไปเป็นอย่างอื่นไปนะอือ การตามดูบางทีเราสติหรือความรู้สึกตัวของเรายังไม่เข้มแข็งเรายังไม่มีตัวดูเราจะไปตามดูได้อย่างไรเหมือนเราจะไปตามดูสัตว์เวลาไปส่องสัตว์ในเวลากลางคืนเรายังมีไฟฉายเราจะไปตามดูได้อย่างไรหรือเรายังไม่มีตาเราจะไปตามดูในสิ่งที่คนทั่วไปดูไม่ได้ หรือเราจะดูของละเอียดแต่ตาเราไม่ดีตาเราฟ้าฟัางตาเรามัวตามดูเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นเพราะตาของเราไม่สว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีเงื่อนไขด้วยนั้นเราจะเอาอะไรมาตามดูท่านบอกเอาความรู้สึกตัวเอาสติเอาปัญญาเอาสัมปชัญญะเนี่ยมารวมเป็นอันเดียวกันแต่รวมทั้งหมดท่านเรียกว่าสติแล้วกัน ในสติเขานั้นต้องหมายถึงสมาสติและสมาสตินั้นจะต้องครบสี่ความหมายคือตามดูกายตามดูความรู้สึกในกายตามดูใจตามความรู้สึกในใจเราใช้คำว่าเบกกายวทนาจิตธรรมกาย <c oughs> แล้วความรู้สึกในกายเราเรียกวิทนาจิตแล้วความรู้สึกในจิตเราเรียกว่าอารมณ์ ในกายตะกัดกายและความรู้สึกในกายเรียกว่ารูปนามจิตความรู้สึกในจิตเรียกว่านามรูปกายความรู้สึกในกายเรียกว่ารูปจิตความรู้สึกในจิตเรียกว่านามดังนั้นสติปัฏฐาน4ี่ก็คือรูปกับนามนั่นเองหรือนามกับรูปรูปนามและกันามรูปอยู่ในนั่นแหละในสติปัฏฐาน4ี่ทั้งหมดถ้าดูรูปนามเป็น ตามดูรูปนามเป็นก็ตามดูสธิประฐานสี่เป็นตามดูรูปนามเป็นก็ดูอริยสัจ ส, สี่เป็นเพราะอะไรทุกสมุทัยเป็นรูปนิโรธกับมรรคเป็นนามแค่นั้นเองเราที่เราพูดถึงเรื่องปริยัติแยกแยะไปมากมายจะเราหลงประเด็นเพราะเราจับประเด็นหลักไม่ได้ เพรในวิธีการของขเทียนท่านให้จับประเด็นหลักนี่ให้มั่นคงเส้อก่อนไอ้เรื่องใครจะแยกจะแจงจะขยายไปยังไงนั้นเป็นเรื่องของตำรับตําราไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่ว่าไอต้ตำราตาราเนก็เป็นตัวคนขยายความจริงนี่นแหละแต่บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องรู้อย่างเช่นว่าเราปวดหัวเนี่ยเราจะพารามากินก็มีหน้าที่เอาพาราใส่ปากแล้วดื่มน้ําเท่านั้นเอง เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ไอ้พาลาไม่นิ้ประกอบอะไรบ้างผลิตมาอย่างไรขบวนการผลิตเป็นอย่างไรใครเป็นผู้ผลิตไม่ต้องไปรู้ก็ได้รู้แต่ว่าเอาพาลาใส่ปากดื่มน้ำแค่นั้นแหละไม่ใช่นาลีของเราว่าจะต้องไปรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรเพราะฉะนั้นการรู้รูปกับนามเรารู้แค่นี้นะไม่ต้องไปรู้ว่ามันไปอย่างไรมาอย่างไรประกอบด้วยถาด้วยขันโดยอายตนะโดย ทำหมดไหนเนี่ยไม่ต้องไปรู้ก็ได้มันไม่ใช่หน้าที่ที่ที่เราต้องการรู้แต่ผู้ที่มันนิที่ต้องการรู้ก็มีอีกพวกหนึ่งถ้าเป็นยาก็ได้แก่พวกเพสัชพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันในการที่จะแจง้งถึงว่าไอ้ตัวลูกตัวนามมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรประกอบด้เป็นหน้าที่ของพระผู้สอนพระผู้มีหน้าที่เป็นผู้สอน ก็มที่ต้องไปรู้ตรงนั้นเลยนะแต่เราเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นชีวิตเราไม่ยืนยาวพอขนาดนั้นเราก็มีหน้าที่อินยาพาลาให้หายปวดหัวก็พอแล้วนะหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทาต่อไปแต่วันใดวันหนึ่งเราเกิดอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นเภสัตว์ขึ้นมาบ้างอันนั้นก็เคยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนที่มีบุญบารมีสร้างสมมาทางนั้น ดังนั้นเองในเบื้องต้นนี้การรู้การตามดูกายเนี่ยตามดูอย่างไรนะฮะไม่ใช่เอาตานอกดูนะเอาตาในดูแต่ตานอกก็ไม่คนรจะปิดคนจะเปิดไว้ตามดูทั้งมันทั้งนอกข้างในนี่แหละนะอะไรมันผ่านมาทางตาภายนอกก็เห็นอะไรมันผ่านมาจากตาข้างในก็เห็นเพราะอะไรเพราะเป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิด สมมาสติแต่ส่วนใหญ่เรา 90% ซนต์เราผ่านเรื่องการเพ่งการาสงบมาแเ้าก็จไปติดในเรื่องหลับตาซึ่งเป็นเรื่องที่ละได้ยากมากกลายเป็นเรื่องเสพติดเรื่องหลับตาเนี่ยนั่งยกมือก็ต้องได้หลับตารู้สึกมันดูดดุมซึมซาบสงบดี ลืมตาแล้วรู้สึกมันไม่สงบมันฟุง้งมันขัดเคือง <c oughs> นี่ตัวนี้คือข้อขัดเบื้องต้นแล้วนะว่าเราตามดูแต่ภายในแต่ไม่ได้ตามดูภายนอกแต่ในคำจำกัดความของสติปัฏฐานทุกบทเราจะสวดสรุปว่าอิติอัชัดตังวากายเยกายานุปัสสินวิหารติวิหิทาวากายเยกายานุปสัสสิวิหารติ อาชาตตาหิทาวาคาเยเกกายานุปัสีวิหารติสรุปทุกบทเลยนะใน <c oughs> ส่วนที่เป็นเรื่องการตามดูตามดูทั้งภายในตามดูทั้งภายนอกและตามดูทั้งสองทั้งภายนอกและภายในให้ตามดูอย่างนั้นตามดูด้วยอะไรด้วยความขยันดูไงไม่ใช่ตามดูเฉยๆนะต้องตามดูอย่างขยันเรียกว่ออาตาปี และตามดูในปัจจุบันไม่ใช่ตามดูอดีตในอนาคตตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเรียกว่าสติมาสัมปชานุเรียกว่าปัจจุบันอาตาปีเรียกว่าขา ย, ยันดูอ่าสติมาสัมปชานุดูที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดูอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะสมุททะ <c oughs> ดูกับสิ่งที่ทําทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอะไรมัน เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นกุศลธรรมทั้งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งที่เป็นอัปยาตะธรรมมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยสูงวลาเรานั่งง่วงเนี่ยเราก็มาดูว่าง่วงนี่เป็นกุศลและอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วนั่งแล้วมันปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหลความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลมันเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วนี่ย แต่เราเคยดูมันจริงๆอย่างจังๆไว้นะมีแต่เราจะไปบังคับมันนะ น, นะไม่ได้จะตามดูอาการของมันว่าเออการปวดนี่มันเป็นอย่างไรดูมันอย่างนั้นแหละดูให้มันแต่อย่าอย่าเข้าไปเป็นมันนะเข้าไปดูมันเฉยๆเหมือนก็เราไปดูละครนะไปดูหนังดูมวยดูอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้ดู แต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าไปหลงบทบาทแสดงเป็นผู้เล่นเสเองมันก็เลยผิดหน้าที่ตรงนั้นจะเป็นผู้เป็นเสเองไปเล่นเสเองมันอดไม่ได้ประทับใจในบทบาทของมันคงเข้าไปเล่นหรือไม่เล่นแต่ว่าก็เข้าไปเข้าข้างพระเอกบางเข้าข้างผู้ล้ายบางไม่ดูเฉยเฉยอะ่ะดูไปด้วยก็ร้องไห้ไปด้วยดูไปด้ยหัวเราะไปด้วยดูไปเลยชอบใจตรงนี้เราก็ไปลืมตรงนั้นแหละ แต่ถ้าดูเฉยๆเราก็จะเกิดปัญญาดังนั้นจึงอยากจะให้ทำความพอใจเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยให้ถูกคือหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านเอาภาวะลำดับการตรัสรู้ของท่านทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นสูตรขึ้นมาซึ่งก่อนหน้าท่านก็ไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานสี่หรอกแต่ท่าน หลังจากพระองค์ได้แต่สรู้แล้วเนี่ยรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ท่านรู้เนี่ยมาเป็นสูตรเรียกว่าโพธิปัจกียธรรมกลุ่มท่วนในสถิประธานสสมประธานสอิทิบายสี่อิศิหะพระละหะโพชงจิตอะไรมากกว่าองค์แป่ยรวมแล้วเป็นสามสิบเจดนี่ยเป็นสูตรพระองค์เรียกว่าใบไม้ในกํามือแต่8ปดหมืสี่พันพระดมขันนั่นก็เรียกใบไม้ในป่านะ เราะนเราก็มาตามดูทีนี้ตอนแรกท่านให้ตามดูกายซะก่อนว่ากายเนั้นประกอบด้วยอะไรท่านให้ตามดูให้ชัดๆเอาความรู้สึกเราก็ต้องเนเมื่อได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเนื้อเมื่อตัวดูของเรามันยังไม่มีหรือมีมยังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องมาสร้างตัวรู้รู้รูวนี้ท่านใช้คําว่าความรู้สึกตัวความรู้ตัวรู้สึกใจความรู้ใจ รู้สึกกายให้เห็นกายรู้สึกใจให้เห็นใจทีนี้โดย ร, รู้สึกนี้ได้จากอะไรอ่าโดย ร, รู้สึกเนี่ยก็ไม่ใช่รู้สึกสเสะปสสป่นะจะมันมีความรู้สึกที่เราจะต้องรู้อยู่ท่านจํากัดไว้ในสติปัฏฐ า, านมหาสติปัฏฐ า, านเนี่ยแต่พระพุทธองค์จํากัดไว้หรืออธิกาจารย์จำกัดไว้ก็ตามแต่ว่าให้ดูในขอบเขตอันนี้ตามดูหนึ่งตามดูลม เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ลมนะแล้วเรียกอานาปานาสติสองตามดูอิเดียบทก็คือยือนเดินนั่งนอนจะยืนเดินนั่งนอนตามดูในช่วงที่เรานั่งนะอะไรเกิดขึ้นเคลื่อนไหวอย่างไรไม่นั่งเฉย มันดินมันลนมันพริกมันเปลี่ยนมันเคลื่อนมันไหวด้วยอ่ะอันที่สามให้ตามดูตัว น, นี้อันที่อันที่สองเนี่ยให้ตามดูในส่วนหลักคือยืนเดินนั่งนอนแต่อันที่สามเนี่ยให้ตามดูในส่วนย่อยจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวจะโยกจะโค้งจะพลิกจะหมุนจะเลี้ยวจะแล่จะกลมจะเงยเนี่ยให้ตามดูด้วยนี่คือ ส่วนที่เป็นสมมติาตามดูแต่คด า, ามดูหรือท่านใช้คําว่าอนุปัสนาเนี่ยอาจจะใช้หลายๆคําเช่นใช้คําว่าสังเกตใช้คําว่าเฝ้าดูใช้ว่ากาหนดรู้ใช้ ว, ดดใชว่าเข้าไปดูใช้คําว่าเข้าไปเห็นแล้วแต่แหละแต่สัพ์เดิมเขาใช้คํำว่าตามดูเราจะแปลงเป็ น, ปนยังไงก็ตามที่จะให้เข้าใจและเราจะสื่อออกมาตามดู ตามดูอย่างขยันนะอย่าลืมด้วยว่าการตามดูตัวนั้น่ะมันจะมีผลหนึ่งขยันดูสองดูที่เป็นปัจจุบันท่านจะใช้บาลีว่าอาตาปีสติมาสัมปะชาโนสติมาสติสัสมยานั้นเรามารวมเรียกว่าปัจจุบันอาตาปีเรามารวมเรียกว่าขยันดูขยันทำขยันสังเกตขยันรู้ เนี่ยเราจะมาเรียกอาตาปีในที่สของท่านน่มันไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เราเข้าใจผิดหรอกแต่ว่าเราตีไม่แตกเฉยๆหรอกนะทีนี้ในขณะที่เรานั่งทำเอาสมมตินั่งสร้างจหวะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นมากมายเลยนะธรรมะอะไรธรรมะคือกุศลอกุศลเกิดขึ้นกุศลและธรรม ปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังง่วงฟุ้งรีวอ์นั่นนี่เป็นอกุศลก็เกิดให้เราเห็นหรือบางครั้งมันไม่มีนรีวอนไม่มีปีติมันเป็นกุศลก็เกิดให้เราเห็นแต่เราเคยตามดูมันจริงจริงยังจังไหมอ่าแต่ส่วนใหญ่เราจะหลงเป็นฉันปวดขาลำคาญ ง, ง, งุนงิดลุกไปเดินดีฝ่าเราหนีมันแล้วนี่เราไม่ได้ตามดูมันนะ นั่งฟังไปฟังมาเกิด <c oughs> ปีติซาบซ่านน้ำตาไหลเข้าไปอินเข้าไปเป็นกับมันอีสิบโอ้มีความสุขหมเราก็ไม่เป็นอีกแล้วไม่ได้ตามดูหลุดไปแลเห็นมตรงนี้แหละคืออุปสรรคของมันคือตัวตามดูของเรายังไม่เข้มแข็งที่นี้จะทำยังไงก็ต้องพัฒนาตัวรู้สึกตัวรู้ ตัวตามดูเนี่ยให้บ่อยๆให้มากๆภาวิตาภาหุริกตาภา <c oughs> หุริกตาทํามากๆภาวิตาทําบ่อยๆอภิญญาญาณิพาณญาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเป็นไปเพื่อการดับการย็นนะบอกอะไสัมโพธายะทําให้เป็นรู้ยิ่งรู้รู้พร้อม อภิญยาญาทาให้รู้ยิ่งนิพานญาเป็นไปเพื่อการดับการเย็นถ้าหากเราดูบ่อยๆทําบ่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นฮีตามดูกายในส่วนที่สีมิธีตามดูส่วนนี้ถึงคือดูรมส่วนที่สองดูรีบทหลักยืนเดินนั่งนอนส่วนที่สามดูรีบทย่อยส่วนที่สดูอาการของาธาตุสี เช่นเเคลื่อนไหวเนี่ยยกมือไปยกมือมาเป็นอาการของธาตุอะไรนะต้องดูให้ออกเลยนะมันไม่ใช่ตัวเรานะที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยแต่มันเป็นอาการของธาตุอะไรเราดูเวลาใบไม้ไหวเนี่ยใบไม้ไหวพอาะอะเพราะลมเป็นอาการของธาตุลมพูดหายใจเคลื่อนไหวพับตาอ้าปากเป็นอาการของธาตุลม เรานั่งได้ไม่ล้มไม่นอนลงไปเนี่ยเป็นอาการของธาตุอะไรมันแข็งมันตั้งได้เป็นอาการของธาตุดินแล้วก็ในช่วงที่เรานั่ง ode, มีเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็ ง, งตึงเนี่ยเป็นอาการของธาตุอะไรอ่เป็นอาการของธาตุฟไฟใช่ไหมแล้วเขานั่งอย่างนี้ได้เนี่ยธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสทํทำงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอเป็นอาการของธาตุอะไร ถัการาน้ำเห็นไมดูโดยเห็นว่าเป็นธาตุไม่ดูโดยเห็นว่าเป็นเดาตัวเนี้มันจะลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปอันที่หนึ่งลมอันที่สองเยบท อ, อันที่สามยีบทย่อยภาพตาปากหายใจเร็วสอันที่สี่ดูธาตุอาการของธาตุไม่ใช่ไม่ใช่ามาเพ่งทีละอย่างนะดูแต่อาการของมัน อันที่ห้าก็ดูอาการย่อยไปจากธาตุอีกเรียาอาการ32มทวัดติ่งสาการผมขนเล็บฟันหนังแต่ว่าดูแบบวิปัสสนากับดูสมถะต่างกันดูแบบสมถะก็คือดูเป็นส่วนส่วนผมเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ฟันเป็นอย่างนี้เอามาดูเป็นส่วนส่วน เรามาดูเลาพิจารณาด้วยนะพิจารณาว่าอะไรมันเป็นอ น, นิี้จังทุกครั้งอันนี้เป็นสมถะหมดไม่ใช่วิปัสนาถ้าดูวิปสัสดูแบบวิปัสนาดูแบบไหนดูแต่อาการของมันจะไปดูที่ได้ส่วนส2สองอย่างเนะี่ยมันจะเอามันดูไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินไปแล้วก็จิตมันก็จะผูกบีบอยู่แต่การดูนั่นแหละจิตไม่เป็นอิสระ มันกระซุ่มไก่สุ่มหนึ่งน่ยมันมีสามสิบสองตามันก็ขังไก่เท่านั้นดิไก่ก็ออกไม่ได้ไก่มันก็อออกยากจะออกอ่าแต่แล้อยากจะให้มันไก่มันอยู่แต่แล้วสุ่มไปขังมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมดิมันจะออกไก่มันชอบอิสระที่อยากจะให้ไก่อยู่ด้วยไม่ต้องมีสุ่มด้วยทำยังไงนี่คืออาการของมิปัสนานะ ก็คือต้องมีเครื่องล่อให้ไก่อยู่มีข้าวสารนะ้นมันกินมีน้ำ ม, มีอาหารนะ้ะมันกินมันก็ไม่ไปไหนหรอกดีกว่าขังซุมอีกมันก็เลยพัฒนาโดยเหมือนกันการดูแบบวิปัสนาคือไม่ต้องเอาตัวเพ่งตัวจ้องตัวกาหนดตัวพิจารณาไปขังมันแต่ตามดูอาการอาการโดยรวมของอาการสามีสองคนได เย็นล้อนอ่ อ, อนแข็งเค้งตึงเขาเรียกว่าเวทนา น, นี่คืออาการโดยรวมของมันเราเรียกว่าเวทนานแต่ในส่วนเวทนาทางกายเนี่ยท่านรวมอยู่ในอาการทั้ง6นี้แต่พอไปเวทนาจริงๆท่านหมายถึงเวทนาทางจิตที่ว่าตามดูเวทนาเนี่ยอาการตามดูกายความรู้สึกในกายเนี่ยมันก็บอกอยู่ในเรื่องของอาการ3าที่สนี่แหละ ตามดูอาการขอทวัติงสาการอันที่หอันที่6กตามดูในส่วนของเสียของร่างกายของร่างกายมีอะไรเสียบ้างเสียภายนอกและเสียภายในกายเสียภายนอกกายก็เดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเดี๋ยว ขีหูขีตาทุกส่วนออกจากทวารทั้งเก้าเซลตายตลอดไหลออกเป็นเหงือเป็นไข่เป็นของเสียเขาเรียกงอสุภะถ้าไปพิจารณาอสุภะว่าเออร่างกายเป็นของสุกปุกปฏิกูลเป็นนิจจังทุกครั้งันตายเสื่อมดูแบบนี้เป็นสมถะอีกเห็นไหมให้ถูกแบบไหนดูแบบไหนอ่ะดูในส่วนที่มันเสื่อมดูเขาวยะธรรมานะสมุทัยะวยธรร ม, มานะนะ ดูส่วนที่มันเสื่อมความเสื่อมของร่างกายมีให้เห็นทุกวินาทีเช่นนั่งไปสักพักเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นมันไม่งามและอาการอย่างนี้ไม่งามเป็นอสุภาการดูโดยรวมโดยอาการของส2สองเลยลก็เลือกเป็นอสุภะมันเสื่อมตลอดแต่มันปรากฏอาการออกมาเป็นความไม่สบาย เราดูที่ความไม่สบายไม่ใช่ดูอาการทีละอย่างตามหลักสมถะว่าพิจารณาศพที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างเอกะเอก ะ, ะมะตังวาทวีหะมาตังวาตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของสมถะยังไม่ใช่วิปัสนา แต่ในส่วนที่เป็นกายการเฝ้าดูกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแต่ดูลูปให้เป็นวิปัสสนาก็ดูลูปให้เป็นสมถะเนี่ยก็ต่างกันอีกตรงนี้เราสับสนไงเราก็ทําไม่ถูกเราพยาาจะทําวิปัสสนาแต่ไปเผลอเป็นสมถนะนะมันก็เลยยากตรงนี้หน่อยนั้นในการตามดูอสุภา ไม่ใช่ตามดูอาการทีละส่วนแล้วไม่ต้องไปพิจารณาว่าเป็นอนิจังทุกข์องอนัตตาให้ดูอาการโดยรวมของมันนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าอาการ32กับสุภาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่ส่วนหนึ่งดูโดยอาการในส่วนที่มันเกิดเรียกสมุทยัยในส่วนหนึ่งดูอาการที่มันเสื่อมเรียกว่าอวัยะ สมุทัยะวยธรรมมาเวลาลอยสวดอะ่ะนี่คือในในความถูกต้องบาลีเนี่ยเราก็ไม่ควรไปตําหนิว่าเรื่องของตาาําราแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เราเข้าไม่ถึงเฉยๆหรอกแต่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ควรที่จะรับรู้เอาไว้ว่านี่คือหลักท่านว่าเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากหลัก ก็หมายความว่าเราเข้าไม่เข้าใจหลักมันเองนะดังนั้นมาตามดูอีกทีตามดูกายกี่อย่างหอย่างตามดูลมตามดูอินทรีย์สตามดูอินทรย่อยตามดู5าตสตามดูอาการ1ิบสตามดูอสุภะเนี่ยตามดูในวงการเขาเรียกว่าตามดูกายนะตามดูไปเรื่อยๆอ่ะตั้งแต ตื่นนอนจะไปถึงหลับแหละส่วนไหนมันปรากฏก็ถ้าจะถามว่าตามดูทั้งหมดทั้งหส่วนเนี่ยมันก็วุ่นวายสิเดี๋ยวเคตามดูอันนั้เเ น, นเดี๋ยวก็ตามดูอันนี้มันจะไปดูอะไรล่ะมันก็ไม่เป็นจุดสแล้วจะตามดูแบบไหนเนี่ยอ่าเหมือนเรากินข้าวในภาชนะข้าวของเราเนี่ยมันมีอาหารทั้งหลายอย่างอันนั้นก็ ถ้าเป็นพาชนะอย่างคนภาคเหนือเป็นสโตกนี่นะเป็นสิบสิบอย่างในพาชนะเนี่ยมันตั้งหลายอย่างเราจะกินอันไหนล่ะมันกินพร้อมกันทุกถ้วยหรือเปล่าหรือกินทีละถ้วยกินทีละอย่างนั่นคือลักษณะการดูให้กินทีละอย่างถึงแม้จะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นก็ตามแต่วิธีการของพรนะในท่านสอนให้ดูแบบรวมเลยนะ อาหารทุกอย่างรวมกันอยู่ในบัติคนปนกันให้เข้ากันหมดเลยแล้วก็กินมันอย่างเดียวแต่วิสถ้ากินแบบทีละอย่างเนี่ยเลิกกินแบบสมาธาิถ้ากินรวมกันแบบเดียวก็กินแบบวิปัสนาพระท่านก็กินแบบวิปัสนาเนกินโดยรวมกันก็แล้วกินแบบบูรณาการเป็นโฮอริสติกอ่ แต่ชาวบ้านเขากินแบบสมัทะคือกินทุกอย่างอันนี้ก็รสหนึ่งอันนก็รสหนึ่งน้ําพริกกัรสหนึ่งแกงกับรสหนึ่งตุ่มกับรสหนึ่งผักก็รสหนึ่งแต่ถ้าไปกินแบบนั่งปฏิบัติคนรวมกันให้หมดไม่ว่าหวานว่าขาวว่าเปรี้ยวว่ารสเป็นเล็ดเดียวกันคือรสอาหารไม่ใช่รสน้ําพริกไม่ใช่รสแกงนั้นแกงนี้ถ้ารสอาหารแนั้นแยกแล้วทีเนี้ยชอบอันนี้กินอันนี้มากหน่อยไม่ชอบอันนี้ไม่ต้องกินมัน แต่พอลงในบาทลงในรวมกันน่ยชอบไม่ชอบกันกินนั่นคือการฝึกเหมือนกันการมาดูกายยามาดูกายเนี่ยสมมติว่ากายในภาชนะอันเนี้ยมันมีอาหารอยู่หอย่างถ้าเราไปกินแต่เรื่องหายใจมันก็เหมือนไปกินเลยแกงจืดอย่างนี้นะพอไปดูเรื่องของการอิยบทสีอ่า ล้วก็เหมือนไปดูกินแกงแคร์อร่อยๆนอยะพอไปดูอิริบดย่อยเหมือนไปกินน้ําพริกกะผักนะเห็น ไ, ไมอาหารทั้งหอย่างในภาชนะเนี่ยแต่ทั้งหมดดูรวมทั้งหมดเหมือนกับพระฉันในบัตรมารวมกันเลยคนรวมกันเลยนั่นหมายความว่าเอาสิ่งทั้งหมารวมกันเป็นอันเดียวกันมาคนให้เข้ากันมันไม่ผิด เหมือนเรากินอาหารรวมกันใครว่าผิดละ่ะดีสิไม่ต้องไปเลือกให้ลำบากไม่ต้องถือหลายอย่างนกินแบบวิปัสนาคือกินแบบองค์รวมกินแบบบูรณาการถ้ากินแบบสมถะต้องกินทีละอย่างพิจารณาทีอย่างพิจารณาผมขนเล่มนะตอนนี้ธรรมนาปานะตอนนี้ท ำ, าานะนนทำการเคลื่อนไหวนะตอนนี้พิจารณาท่าสีนะตอนนี้พิจารณาการเสียมสองนะตอนนี้พิจารณาอสุภะเอาทีละอย่างเป็นสมถะ แต่ถ้าเอาทั้งหมดมาเฝ้าดูตามดูรวมกันนะเป็นวิปัสนาเราจะเอาแบบไหนอะ่ะถ้าแบบกินแบบวิปัสนามันกินได้เยอะนะเหมือนผักเอาเอาผักมาจานหนึ่งนะี่ยว่จะมานั่งกินเนี่ปวดกรามกินไม่หมดที่ทํทำยังไงกินทีเดียวกินง่ายโดยกินหมดด้วยกินได้เยอะกว่านั้นด้วยกินยังไงก็เอาผักมาปัน่นซะ ผักขี้ยางขี้ยางมาปัน่นให้เป็นน้ำผักซะมันก็เลยกินไงให้กินได้เยอะแล้วคุณภาพก็ดีกว่าด้วยกินแบบวิปัสนากินแบบสมถะในกินอย่างนะอันนี้ค่อนข้างบวมมาค่อนข้างจะหลากหลายนะอย่าสับสนอเห็นไหมดฉะนั้นการตามดูกายเรื่องเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่เยอะทีเดียวถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้ดี นั้นเราตามดูรูปตามดูนามคือตามดูกายตามดูใจให้เบื้องต้นเนี่ยตามหลักทฤษฎีเนี่ยให้ดูบทีละอย่างแต่สำหรับผู้เข้าใจแล้วดูทุกอย่างรวมกันนะาหากว่าเบื้องต้นนี่ก็ต้องป้อนกันนะนะเหมือนเด็กกินข้าวนะี่ต้องชี้แองบอกกัน เราก็เหมือนกันนะผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ก็คอยป้อนอย่างนู้นป้อนอย่างนี้กว่าเราจะจับหลักได้พาเดินพายืนพานดังพานอนพาบอกพาสอนพาชี้พาแนะเหมือนกับป้อนธรรมะกันเรื่อยเรื่อแต่พอเราโตแล้วนี่นะเรากินเองอ่าอันนี้ก็จเจริญเติบโต ต, ตามลําดับพอโตแล้วหมายความจิตใจสติปัญญาเราโตแล้วเราทําเองทําเป็นทีนี้กินเป็นรู้จักเลือกอันไหนดีไม่ดีรู้จักเลือกอนน ดังนั้นการเฝ้าดูกายท่านบอกว่ามันจะเห็นเวทนาเพราะกายก็เวทนาแต่เวทนาทางกายนะไม่ใช่เวทนาทางจิตให้ตามดูถ้าตามดูกายก็ตามดูเวทนาในเวลาเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการตามดูเวทนาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นอีกเนยะ เพราะนั้นตามดูกาให้เป็นซะก่อนในส่วนหยับๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเวทนาปรากฏมีความคิดปรากฏมีอารมณ์ปรากฏก็ตามอย่าพึ่งไปใส่ใจตรงนั้นให้มากแต่มาใส่ใจทางกายนี่ให้มากสําหรับผู้เริ่มต้นนะนะท่านก็เลยมาผูกเป็นการเคลื่อนไหวเป็นหลักทีนี้ทําไมไม่ดูเป็นการเคลื่อนไหวลมละ่ะ มันมันละเอียดมันประนีตในะลมเนี่ยมองไม่เห็นตัวนะเห็นแต่อาการของมันถ้าคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศนะท่านใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ละเพราะอะไรเพราะคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศเนี่ยจิตของท่านไม่ได้ปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ง, ง่ายเหมือนเหมือนคนธรรมดา ท่านจะโกัท่านจะรวมไว้จุดแหนก็ อ, อยู่จุดนั้น น, นิ่งเนะี่ยอันนี้ท่านมีคุณสมบัติมีบา ร, รมีสร้างมาดีแค่ใช้ลมเป็นตัวกําหนดก็ชัดแต่ห้องเรากําหนดลมในหูก็จะรวมแจมาอยู่กับลมได้ยากมันไปไหนก็ไม่รู้ใจกำหนดได้พักหนึ่งก็ไปแล้วกําหนดลมได้พักหนึ่งมันไม่ไปที่มันง่วงกำหนดได้พักมันไม่ง่วงที่มันหลับกําหนดได้พักหนึ่งมันไม่ง่วงไม่หลับมันสงบ เข่าไปนู่นจิตมันไม่สามารถอยู่ปัจจุบันได้กําหนดได้สักพักหนึ่งตาปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมมึงเบาเขาอยู่ในความสงบโดยไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจึงปรับได้แต่ลมมันไม่ปรับไม่ได้นะมันอยู่ในระดับเดิมอ่ะจะหายใจแรงขนาดไหนก็อยู่ในระดับนั้นมันปรับยากแต่การเคลื่อนไหวมือเนี่ยมันปรับง่าย ปรับให้แรงก็ได้ปรับให้เร็วก็ได้ปรับให้ช้าก็ได้ปรับให้หนักก็ได้ปรับให้เบาก็ได้เห็นไหมมันปรับได้หลากหลายเพราะฉะนั้นพอใช้การเคลื่อนไหวของมือเข้ามาเป็นตัวจุดประกายของความรู้สึกตัวมันจึงง่ายมันจึงง่ายแล้วก็เป็นการสร้างกําลังของสติเขเรือกสติพร ะ, ะเนี่ยได้ไว กำลังของกวอนรู้สึกตัวนะมันมีพลังแล้วก็สามารถที่จะเอาพลังของสติที่เกิดจากกายเนี่ยไปดูเวทน า, าได้เร็วขึ้นไปดูจิตได้เร็วขึ้นไปดูอารมณ์ได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเองเบื้องต้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้การเฝ้าดูนี้ต่อเนื่อง ก็คือคําว่าอาตาปีเนี่ยคำว่าขยันทำคําว่าต่อทำอย่างต่อเนื่องทําอย่างติดต่อก็อยู่ที่ตัวการขายันดูไม่ใช่ขยันทำนะบางทีขยันทำแต่ไม่ขยันดูก็มีนะขยันทำแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ใจอาจจะไปคิดหรือใจอาจจะไปเข้าสมาธิหลบซะทําไปแล้วรู้สึกมันฟุง้งซ่านมันไม่สบายหลบเข้ไปสู่สมาธิดีกว่า ทำมือย้มกันนะแต่ว่าขับจิตเข้าไปดิ่งไปสู่การดับกันดิ่งไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันยากตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจึงสิลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกบ้างผิดบ้าง <c oughs> ได้บ้างเสียบ้างลงทุนลงทุนไปก่อนแต่พอทําบ่อยเข้าบ่เข้ามันเกิดการเรียนรู้ถ้ามันถูกมันปลอดโปร่งมันสบายมันไม่หนัก แต่ถ้ามันผิดมันไม่ปลอดโปรง่งไม่สบายมันซึมมันทื่อมันง่วงมันเหงามันฟุง้งมันอึดอัดขัดเคืองอันนี้มันผิดแลละนี่เราจะทำาไงก็แก้นะแกแล้วแก้อีกดังนั้นการผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีปัญญาภราดูนหนึ่งนะคำว่าปัญญาภราหนึ่งคือ แกในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่มันผิดปกติไปเั้นเถอะถือว่าเรานั่งแล้วมันง่วงเนี่ยถือว่าปกติไหมไม่ปกติแล้วนั่งแล้วคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยผิดปกติแล้วต้องรีบแก้ทันทีเพราะอันนั้นมันผิดปกตินั่งแล้วหลับอย่างงี้ก็ผิดปกติแล้วเราก็ต้องแก้ทีนี้ไอ้ตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอุบายที่หลากหลายทุกวันมันแก้ได้แต่ถ้าเราไปใช้ลมนี่นะมันแก้ยาก เพราะว่าในอานาป่าเนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้เลยว่าต้องขาขวาทับขาซ้ า, ายมือ ข, าขวาทับมือซ้ายตัว ต, วตร ง, ตร ง, ตรงอะไรทํานองนี้ซึ่งเป็นตัวจํากัดในอีซีของเราแต่พอมาการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยคุณจะนั่งแบบไหนก็ได้นะคุณจะนั่งท่าไหนก็ได้แต่ขอให้รู้สึกในการเคลื่อนไหวชัดๆเท่านั้นเองนี่คือความหลากหลายและความเหมาะเจาะของการเคลื่อนไหวมือนะ เสร็จแล้วในเรื่องของกายนี่มันมีเวทนาคือความไม่สบายเป็นหลักนะถามว่ามีความสบายบ้างไหมเนี่ยมันไม่มีนะมันมีแต่ไม่สบายนี่แหละแต่ถ้ามันไ ม, ไม่สบายน้อยน่อยถ้านเรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่สบายมากนัาลยทุกเวทนาแต่ยัง ตัดสินไม่ได้ว่ามันสบายหรือไม่สบายท่านใช้คำว่าอทุกขม์มสุขเวทนาบางคนก็บัญญัติว่าเป็นอุปเปกขาเวทนาซึ่งความจริงไม่ใช่อุปเปกขากับเวทนาคนละเรื่องกันแต่เราใช้คําว่าทุกข์ขมสุขเวทนาคือยังไม่แน่ว่ามันเป็นสบายหรือไม่สบายท่านเรียกว่ามันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาเดียวกันนั่นแหละยังตัดสินไม่ได้เพราะสมมติเราเปลี่ยนนี่บทใหม่สังเกตไหมเปลี่ยนเราจะบอกว่าขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์บอกมไม่ได้เพราะมันเพิ่งเปลี่ยนจาก ไอ้ไม่สบายมันรู้สึกสบายขึ้นมาหรือว่าเออมันทุกน้อยหน่อยตรงนั้นเขาเรียกว่าอสุขขมทุกขเวทนาคือมันเป็นกลางกลางยังสุขก็ไม่ชัดทุกก็ไม่เชิงเรียกว่าอสุขขมทุกขเวทนานั้นตัวรู้สึกชัดถึงกายถึงการเคลื่อนไวของกายเนี่ยถ้าทําอยู่เป็นประจําชัดๆนะมันทะลุถึง ทั้งสมอย่างเวทนาจิตทําไปเลยดังนั้นหนวงพเทียนท่านขอมดเป็นคําง่ายๆสั้นๆว่าดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นรำดูกรรมเห็นปรมัตต์ดูอริยสัจเห็นนิพพานดูกายเนี่ยนะมันก็จะเห็นจิตเพราะว่าดูรูปมันก็เห็นนามนะว่างั้นเอถอะ่จะว่ากันง่ายๆดูรูปมันก็จะเห็นนามเพราะฉะนั้นกุญแจสําคัญคือตัวดูตัวเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันเข้มแข็งไง จะใช้คําว่าสติก็ได้นะความรู้สึกตัวก็ได้ตัวดูก็ได้ตัวรู้ก็ได้ตัวเห็นก็ได้ตัวสังเกตก็ได้แต่ในนามเขาว่าสติเนี่ยนามเขาว่าสตินั้นเมื่อเราใช้อุบายการเคลื่อนไหวเป็นนิมิตของการภาวนาเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นสมถาวิปัสนาบางทีเราทําการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสมถะก็ ก, ก็เป็นถ้าเราทำไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกทำการเคลื่อนไหวมันเป็นวิปัสสนาก็ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเผอเพ่งเผอกำหนดเผลอจดเผลอจ้องเนี่ยมันกลายเป็นสมาถะไปเข้าไปสู่ความสงบลิ่งหลับดับดิ่งไปเลยได้และสงบอย่างดีด้วยนะไม่ใช่สงบธรรมดาสงบเรื่องลึกด้วย นี่เป็นสมถะแต่ถ้าจะเอาการเคลื่อนไหวเป็นวิปัสสนานั้นเรามาดูว่าสมถะมันมีอะไรเป็นอารมณ์สมถะมีรูปเป็นอารมณ์ใช่หมถ้าเราเอารูปเป็นอารมณ์การเคลื่อนไหวเนี่ยเอามือเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นสมถะไปแล้วเพราะเราเอารูปของมือเป็นเป็นนิมิตกาหนดรู้กลาเป็นสมถะถ้าจะให้เป็นวิปัสสนาเอาความรู้สึกที่ยกเนี่ยเป็นอารมณ์ เอาความรู้สึกมันเป็นนามใช่ไหมมือนี้มันเป็นรูปแต่ความรู้สึกที่ยกกันเป็นนามถ้าเอาความรู้สึกของมือเป็นที่ตั้งของการรู้เป็นวิปัสสนาเพราะเอานามวิปัสสนานั้นเอานามเป็นอารมณ์สมถะเอารูปเป็นอารมณ์ทั้งรูปที่เป็นภายในและภายนอกนะทั้งอัจชริรูประหิทรูปเนี่ยเป็นนิมิตของสมถะ แต่ถ้าจะให้เป็นวิปัสนาตรงเลยเอาตัวรู้สึกเอาตัวรู้สึกสติเนี่ยเป็นอารมณ์แต่อาศัยรูปให้รู้สึกนะเพราะนามกับรูปมันอาศัยกันเหมือนเราจะกินอาหารเนี่ยเราเราต้องการอะไรต้องการรสอาหารธาตุอาหารแต่เราต้องเคี้ยวเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารน่ะ มันอาศัยกันเพราะฉนั้นรสอาหารเนี่ยมันก็เหมือนนามของอาหารรสของมันทําให้เราอร่อยไม่อร่อยความจริงข้าวอาหารไม่ได้อร่อยหรอกนะแต่ประสาทสัมผัสของเรามันไปสัมผัสเข้ารสมันเป็นอย่างนี้แต่เราจะกินรสของมันก็ต้องไปเคี่ยวอาหารเหมือนกันเราจะไปรู้ความรู้สึกเนี่ยแต่อาศัยรูปเป็นตัวสื่อให้รู้สึก ดังนั้นตรงนี้เองต้องใช้ความแยบคายทีเดียวนักปฏิบัติว่าเราจะดูรูปหรือดูนามเราจะดูความรู้สึกหรือดูที่มือเราจะดูที่การเคลื่อนไหวหรือดูการหยุดเพราะในการเคลื่อนมันมีทั้งหยุดด้วยนะสมมติว่าสิจังหวะเนี่ยมันมีพักใช่ไหมมันยกเคลื่อน ดูไปดูมานะหยุดมันเป็นสิบสเคลื่อนมันสิบสี่มันเป็นยี่ปดเขาเรียกว่ารูปยี่แปดคือรูปนี้แหละเนี่ยคือรูปของการเคลื่อนสิสรูปของการหยุดสิบสี่ไม่เช่อลองนับดูเฮ้ยออดเคยนับไหมอ่าแต่ว่าไม่ต้องรู้ทีละอันเลยนะรู้อาการของมันเฉยๆหรอกแต่พูดแยกให้เห็นว่ามันมีทั้งหยุดทั้งเคลื่นอนนะในนั้นนะ่ะ แต่มางคนก็ไม่ยอมที่จะไปรู้หรอกไปรู้แต่รู้อย่างเดียวก็รู้ไปความเคยชินไปแต่ถ้ารู้ชัดเข้าไปอีกนิดนึงรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้ให้ชัดๆเนี่ยเมื่อตัวรู้สึกเนี่ยมันลำดับเรียบเรียงกันเป็นระเบียบมันจะหนักแน่นนะแต่มางคนทาไปนานๆเนี่ยมันมันไหลไปเลยเราแก้ยากเลยพวกนี้เอามาเคยแก้หลายคนแก้ไม่ตก เพราะทำจนชินแล้วมันก็ชินเดี๋ยวนั่นไปอ่ะอาการที่จะมาบอกให้เป็นจังหวะสิสร้างจังหวะเป็นจังหวะสินบอกไม่เอามันไม่มันเครียดอย่างนั้นตั้งใจมากไว้ก็ทํา้อยร้อยร้อยรอ ย, รอ ย, รอยเอามาก็เคยเป็นก็ แ, แก่ยากด้วยคือทํำไม่ครบอ่ะแล้วก็าบอกเหมือนคุณไปก่ออิดอ่ะถ้าคุณมีตัวเชื่อมไม่สนิทนะอิดมันจะขึ้นไหม อิดเนี่ยมันต้องการเชื่อมมันจะเป็นแผงเป็นแผ่นเป็นฝาขึ้นมาได้มันต้องการเชื่อมให้สนิทนะแต่คุณเอาอิดไปกองกันไว้หรือเชื่อมไม่นสนิทเนะี่ยเดี๋ยวมันพังไม่แน่นไม่หนักหรือคุณไปก่อปูนโดยที่ไม่มีเหล็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็หักเพราะนั้นตัวสติหรือความรู้สึกตัวที่เชื่อมกับบการเคลื่อนไหวเนี่ย นั่นแหละสําคัญเพราะฉะนั้นการยกเนี่ยไม่ได้ยกเพื่อที่ให้รู้ม า, มากๆหรอกนะแต่ให้รู้ชัดๆเออให้รู้ชัดๆไอ้คําว่ารู้ชัดกับเพ่งเนี่ยมันก็ใกล้กันเข้าไปอีกนี่คือวิธีการของพระเทียนที่ว่าแยบคายรู้ไวเพราะว่าถ้าคนแยบคลายเป็นนะมันจะรู้ไวมากแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าเรารู้ไม่เป็นและรู้ไม่ชัด มันก็กลายเป็นไปเพ่งบางมันเลยช้าไงบางคนสามปีเจ็ดปียังไม่ไปไหนเลยเพราะมันผิดมันมากกว่าถูกนะมันก็ได้ผลน้อยเหมือนเราไปหาเงินน่ะถ้ามันผิดมากกว่าถูกแล้วก็ขาดทุนได้เหมือนกันนะแต่มันขาดทุนแต่ถ้ามันถูกมากกว่าผิดมันก็ได้กําไรถูกมากก็ได้กํำไรมากผิดน้อยก็ได้กําไรมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเรารู้เนี่ยรู้ถูก เขาไมรู้ถูกคือรู้ชัดแต่ส่วนใหญ่อาการของการชัดเนี่ยเป็นอาการของความโลภความอยากอยากได้ความสงบอยากจะได้สติอยากจะได้ความรู้สึกตัวเราเลยไปเพ่งมันให้ได้ไงเพราะอาการของการเพ่งเนี่ยมันเป็นอาการของความอยากอ่าเป็นอาการของตัณหาเพราะการเพ่งจยกให้มันเกิดเพราะเราไปสาคัญว่านามนเป็นรูปนี่คื อ, อรายละเอียดของมันเราอยากจะให้รูปความรู้สึกอยู่กับเรานา น, าน แต่ทาไปแล้วมันไม่รู้สึกอุ้มดุมันมันไม่ได้อะไรแต่หารู้ไม่มันนั้นเป็นความอยากเบื้องหลังของมันน่ะมันซ้อนอยู่ลึกๆอยากจะให้มันชัดล้วไปเพ่งเต็มที่เลยชัดนานๆไม่ชัดอะ่ะเพ่งไปนานๆไนปไงไม่สบายแล้วตัวเริ่มปวดเริ่มกลิงเริ่มสงบเริ่มลึกเข้าไปลึกเข้าไป มันกลายเป็นเพ่งแล้วแต่ถ้าชัดล่ะเราสวดใช่ั้ยอิมัสเกวรสะทุกขขันธะอันะกิริยาปัญญาเยธาติทำฉะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแต่ที่ยกบาลีตรงนี้มาต้องการคำเดียวเขาบ่าปัญญาเยธาติอันนะมาเป็นตัวอย่างว่า คำว่าปรากฏชัดเนี่ยทำเชนะัยการทําที่สุดแห่งกองทุนจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะฉะนั้นไอตัวปรากฏชัดเนี่ยเป็นตัวปัญญาปัญญาเยาทะเป็นตัวปัญญาแต่ตัวเพ่งให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นสมาธิแต่ตัวปรากฏชัดเป็นตัวปัญญาเห็นไหม แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่เราไม่ต้องเพ่งให้รู้แต่แยกให้เห็นว่าไอ้ความเป็นมาความถูกความผิดมันเกิดหน้าจุดเนี้ว่าเอ้ยเราทําวิปั ส, สนานะแต่วทำไมไปเผลอเพ่งเป็นสมถะล่ะเพราะความแยบไายตรงนี้ไม่พออย่างไงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจึงได้ผลชา้าได้ผลเร็วไม่ได้ผลต่างกันตรงนี้เองว่าความแยบคายของแต่ละคนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนที่เอราว่าเข้าใจเิงได้เพราะมาผิดแล้วผิดอีกแก้แล้วแก้อีก มันมันถึงจะได้เห็นตรงนี้ชัดยังไงแต่คนส่วนใหญ่ผิดแล้วไม่อยากแก้ผิดแล้วผิดเลยช่างมันมันก็เลยความหมดจดสมบูรณ์ของการรู้เนี่ยมันไม่เพียงพอใ น, นการก้าวหน้าของอารมณ์ปฏิบัติก้าวหน้าของพรหมจรรย์มันก็ไปไม่ถึงที่สุดยังไงเพราะความหมดจดของสติปัญญาที่ทําเนี่ยมันไม่ชัด แต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกลงมือทําแล้วมันถูกเลยมันชัดเลยมันดีเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องผิดมาร้อยครั้งพันหนถูกร้อยครั้งพันหนแต่อาศัยลูกขยันแก้นี่แหละนะไม่มีใครเราที่จะถูกทันทีมันต้องผิดมาทั้งนั้นแหละแต่อาศัยแก้แล้วแก้อีกดูแล้วดูอีกตัวปัญญาตรงนั้นมาเป็นตัวแก้ไขนะอันนี้ไม่ชัด ทำทีเดียวไม่ชัดทำสองครั้งสมครั้งสี่ครั้งจนไมันชัดเหมือนกับเราติดไฟอะยมนึกออกไหมไม่ ไ, ได้สมัยก่อนเวลาหุงข้าวเราใช้ฟืนใช่ไหมไอจุดใหม่ๆมันก็ควรตลบเลยทีเดียวใช่ไหม ย, ยิ่งตีฐานเนี่ยถ้าคนติดไม่เป็นหุงข้าวไม่สุกเลยนะอ่ามามีประสบการณ์ในสมัยเป็นนินเราก็พาเสียนทีละซีกทีละซีก่อไฟก็เอา่านใส่โอ้กไฟ จะแดงหลายนาทีมอเข้าเดือดยากทีนี้พอมีเพื่อนคนหนึ่งมันทำเป็นมันเอากระดาษยุมย้มๆเล็กๆวางตรงกลางเอาฐานใส่แล้วจุดไฟข้างล่างแล้วมันพัดข้างล่างเดียวๆก็น่าไฟแดงเลยตรงนี้บอกอะไรกับเราบอกว่าวิธีการที่จะทาให้มันชัดเนี่ยต้องขยันขยันแก้ไขขยันพัดแล้วก็ดูผลของมันด้วยนะ แค่นาทีสองนาทีไฟแดงและแต่ที่เราทําไม่เป็นบันทีห้านาทีมันยังไม่แดงเลยเพราะอะไรเพราะเราทําไม่ถูกแก้ไขดังนั้นตัวนั้นไอตัวอย่างเล็กๆ น, น้อยเหล่านี้ในชีวิจิวิญญณให้สังเกตเอาไว้นะแล้วโอปัญิโกคือนํา ม, มาในส่วนรูปธรรมนํามาแก้ไขนามธรรมาแต่การที่จะโอปัญญโกรตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจแล้วละ่ะว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นสติอะไรเป็นสมาธิ ดังนั้นการปรากฏชัดของการเคลื่อนไหวก็ดีการหยิบกันหยับกันจับกันฉวยให้สังเกตให้ดีว่าอันนี้เป็นอาการเพ่งหรืออาการชัดถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกนะยากนะที่เราจะเป็นวิปัสสนานเพ่งนี่ไม่นานนะเราเบื่อแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันขาดอิสระจิตเรามันชอบอิสระภาพ อะไรไปกดไปบังคับมันไม่นานดอกมันดิ้นหนีเลยยิ่งฟุ้งไปเลยเพราะนั้นวิธีการของพ่อเทียนต้องการให้จิตรู้อย่างอิสระไม่ใช่บังคับให้รู้ท่านยิช้คว่าตามดูงไงฮะตามไปดูเพราะอะไรเพราะอ น, นิจจังทุกข์อนัตตาปรากฏเป็นขบวนไหลลื่นตลอดเวลาไอ้การที่จะไปเบรกไปหยุดขบวนการของอนิจจังทุกข์อนัตตาไม่ได้ เพรามันเปนขบวนการของธรรมชาติมันจะต้องหมุนไปตามแต่เราตามดูอาการของนิจังทุกขังหน้าตานั้นได้อยู่ตามดูเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักมันนะเพื่อให้รู้จักมันตามดูมันบ่อยๆพอรู้จักอากัากากบกริยาอาการของมันแล้วก็เริ่มเข้าไปจับไปต้องไปแก้ไปไขมันได้ละเหมือนกับเราจะเอาริงมาฝึกอ่ะตอนแรกไปจำไม่ได้หรอก มันบ้านเราเร็วมันแห่ไอสายไทยว่าไงลิงมันมันจับยากอ่ะสัตว์ป่ามันจับยากอ่ะไอ้าไทยว่าไงพ่อใหญ่มมาาไม่สนล <c oughs> ะเพราะมันตื่นมันอะไรอะ่ะต้องถามอาจารย์เกษินอาจารย์เกษินไอ้สัตว์ที่มันมันไม่เชื่องมันจับ ย, กยากเขาเรียกวอะไร <c oughs> สมมุติตัวนี้เรียกยากนะ แต่ภาษาเนือก็เรื่อมันแห่คือมันจับยากอ่ะจิตของเราเหมือนกันแรกเมันแหมากแล้วจับไม่อยู่นะจับตรงนี้พุทธไปตรงนั้นจับนี่ไปตรงนั้นอ่ามันไม่เชื่องเรามาใช้คําว่ามันไม่เชื่องทีแรกจะจับมันยังไงเ่ยอ่าต้องหาอุบายจับมันนะฮะอาหารล่อนะที่อาหารล่อกระยากเหมือนนะลิงบางตัวมันฉลาดอ่ะ ทีนีวิธีแบบโบราณเขาทำไงเขาว่าเห็นลิงอยู่ฝุงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะลิงมันชอบพวกไอ้ถั่วพวกงาวพวกอะไรที่มันกินผักผลผ ล, ลไม้พวกรนะ้วยนะอ่าเขาก็ดูว่ามันจะมาตรงนี้บ่อยๆเขาสังเกตเหมือนกันเขาก็าน้ำน้าต้นน่ยน้ำเ ต, ต้านะไ อ, อ้คอมกิวก่วๆนะเขาก็เอาน้ำต้นนี่แหละไปใส่ใายให้เกือบเต็มละ ทีนี้ก็ไอตรงบริเวณเนี้ยเขาก็จะเอากล้วยเอาอ้อยเอาอะไรที่มันชอบไปวันวานวันที่ลิงทั้งหลายมันก็มาจับจับจัจับกินใช่ไหมกีนลิงแล้วมันโซนมันกินตรงนั้นหมดมันเห็นอะไรสงสัยมันก็ล้วงมือเข้าไปในในน้ําต้านั่นแหละที่ไอ้น้ำเต้นันปากมันเล็กๆใช่ไหมแต่ข้างในมันโปรงผอมล้วงเข้าไปมันก็มันก็จับเอาไอ้เม็ดอะเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นเม็ดผลไม้มันก็จับเอา พอจับแล้วมันก็กำมือดิเนี่ยพระกำมือมันออกไม่ได้มือมันใหญ่ก็รู้นี่วิ่งไปก็ไม่ได้มาทรายมันหนักใช่ไหมไอคนที่จ้องจับอยู่ข้างๆก็ออกมาจับไว้สบายเลยลิงมันจะว่าลิงมันงัวก็ไม่ได้นะเพราะอะไรมันติดอะไรมันโลภมันโลภมันคิดมันใหญ่ได้มันออกไม่ได้ที่สุดจับออกง่ายๆเลยพราะน้ําเตามันหนักทรายมันยกไมขึ้น เขาจับอองงเอาง่ายๆนี่โบราณเขาจับง่ายๆแต่ลิงเดี๋ยวนี้อาจจะไม่งงูแบบนั้นนะเนาะมันอาจจะฉลาดก็ได้อาจจะทําแบบนั้นไม่ได้แน่เห็นไหมที่ไอ้การจับจิตก็เหมือนกันไอ้ที่มันซนๆมันมันไม่เชื่องก็จับแบบนั้นเหมือนกันตอนแรกก็ต้องเอาอะไรล่อมันด้กันเอาเดินจูโ ก, โกมาสร้างจังหวะรอยมันสบายๆอะไรเสี ย, ย, ยกันร อ, อทีนี้มันก็จิตมันก็ ไอ้ที่มันวิ่งวออกไปเนี่ยเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมันก็เริ่มเข้ามานะเพราะมันวิ่งออกไปโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่สบายนะแต่พอเรามาซําสร้างจังหวะเดินจวบคุมกําหนดนู่นกำโนดนี่มันเครื่องล่อจิตมันก็เริ่มเข้ามาแหละเริ่มเข้ามาแล้วก็เอาตัวสภาวะภายในเนี่ยล่อมันให้มันจิตมันเข้าไปเกาะไปเกี่ยวมันเข้าไปยึดเป็นอารมณ์ จิตของเราเมื่อก่อนมันมันหนักมันหน่วงเวลามันคิดไปเนี่ยมันหนักมันหน่วงมันทึบมันทื่อมันไม่สบายมันร้อนแต่พอมันกลับเข้ามาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาสัมผัสได้ว่ามันสบายมันโล่งมันโปร่งมันเย็นตัวนี้เนี่ยจิตเริ่มเริ่มเกิดเกิดปัญญาละจิตเริ่มเกิดตัวดูละเหมือนกันเถอะเออถ้าจิตขึ้นกับมปัจจุบันมันสบายนะมันโล่งมันโปร่งมันเบาแต่ถ้าคิดออกไปเนี่ยมันจะร้อนแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าจิตมันคิดออกไปมันร้อนมันหนักมัน มันไม่สบายเราไม่เคยรู้แต่พออาศัยศรัท ธ, ธาเข้ามาฝึกอาศัยครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มาพูดให้ฟังอาศัยนักปฏิบัติด้วยกันที่มีประสบการณ์มาพูดให้ฟังเราลองทํา น, นี่เขาเรียกล่อลิงล่อจับลิงคือล่อจับจิตโดยหาวิธีทำอยู่นี่แหละนะนี่คือดูดูเรื่องเรื่องกายนะว่าจะเอาเอาจิตมาสู่กายได้อย่างไรเนี่ย ตัวล่อทั้งหอย่างมเมื่อกี้ใช่ไหมจำได้ไหมอาลมณล่อมันบ้างเอาอริบุตรสีล่อมันบ้างเอาอริบุย่อยล่อมันบ้างเอาหัดสีเอาอาการสามสิสองอสุภะล่อมันเข้ามาล่อมันเข้ามาแล้วล่อมันแล้วเราก็จับมันได้ทีนี้เพาจับมันได้ทํา ไ, ทไงก็ฝึกนะฝึกเขาเรียกเทรนมันการฝึกฝนนี่เองท่านเรียกว่าสิขา ฝึกให้มันจิตมันมีระเบียบฝึกกายให้มีระเบียบก็เยศีลสีสส่ขาเริ่มต้นจากนั้นเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยท่านไม่ได้ให้ไปทําด้วยความอยากนะทําให้การด้วยการศึกษาเพราะฉะนั้นในหมวดสีขสส่ขาสามอะศีลสี่ขาพออันที่สองท่านแทนที่จะใช้คําว่าสมรทติศึกษา สีขาหรือปัญญาสีขาสีนสมาธิปัญญาใช่ไหมแทนที่จะใช้คําว่าสีนสีขาสมาติสีขาปัญญาสีขาท่านไม่ใช่ท่านใช้ศีนสีขาจิตต่สีขาสมาธินั้นท่าใช้คําว่าจิตแต่สีขาคือไปศึกษาจิตอาการที่เขาไปศึกษาจิตอาการของจิตมันเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปเพลงให้ยากเขาเพ่งไปเรื่องของสมาธิไปเรื่องของพรามไปเลยไม่ใช่เรื่องของพุทธละแต่เราแยกไม่ออกไง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เข้าใจหลักการให้ถูกเบื้องต้นแล้วมันจะไวมันจะไวแล้วก็ไม่ต้องทำให้ลำบากเพราะวิธีการแบบหวงพเทียนเขาจะว่าสุขาปฏิาทาคิปปิญญาคือ ท, ทำง่ายรู้เร็วแต่ถ้าหากว่าไปทำไม่ถูกอ่ะมันก็เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเหมือนกันทำยากรู้ชา้านะ นั้นเบื้องต้นเนี่ยเอามามักจะต้องให้ข้อมูลทําความเข้าใจทุกนี้ให้ชัดแล้วให้ไปทําอย่างน้อยคนที่จดจําได้ดีเข้าใจดีก็จะทําได้เร็วทําได้ถูกคนที่จดจําได้น้อยหรือเข้าใจได้น้อยก็ต้องทําอีกหลายๆครั้งมาทําความเข้าใจหลายหครั้งมาฟังกันหลายๆครั้งแล้วไปทําอีกทดสอบถูกผิดทําแล้วทําอีกแก้แล้วแก่อีกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันถูกข้อมันจนได้แหละแต่ให้ขยันแก้ไข นะแล้วณจุดนี้นะถ้าเราฝึกสติปัญญานได้อย่างถูกต้องนะเรื่องปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่จะไปแก้เพราะปัญหาชีวิตเป็นเรื่องหยาบๆใช่ไหมแต่ขนาดเรื่องจิตเป็นเรื่องละเอียดเรื่องของปรมัสตร์เรื่องละเอียดเนี่ยเรายังแก้ไขเป็นเลยแล้วปัญหาเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องหยาบๆทำไมจะแก้ไขไม่ได้นี่คือต้นตอของการแก้ปัญหาขอให้ศึกษา การเจริญสติให้ถูกต้องปัญหาชีวิตมันจะลดลงทันทีเลยแล้วแต่ว่าคนนั้นเข้าใจช้าเข้าใจเร็วคนที่เข้าใจช้าก็จะลดได้ช้าคนที่เข้าใจเร็วทําถูกต้องก็จะลดได้เร็วแทบจะหมดปัญหาเลยนะปัญหากินไม่ได้นอนไม่หลับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาความลําบากอยากจนปัญหาเรื่องอแตกเล้าสามเมาขีอะไรพวกนี้มันจะแก้ได้ไม่ใช่แก้ได้ทีปัญหานะแก้ทีเดียวทุก ป, ปัญหาเลยเพราะแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือการทำใจให้เป็นอิสระจากปัญหานะพอทำใจได้มันก็ปล่อยวางใช่ปล่อยวางก็แก้ง่ายเหมือนลิงเนี่ยถ้ามันฉลาดหน่อยมันมันรูว้วาตินมันก็ปล่อยมือทันนะ่ใช่ไหมก็หลุดทำไมมันไม่รู้ไอ้ตัวไม่รู้ในการปล่อยวางนี้ท่านเรียกว่าอะไรอวิชชาการไม่รู้เราก็ไปยึดเอาไว้ดี ปัญหามันเกิดเพราะไปจับเอาไว้ไปยึดเอาไว้นะมันก็ไปไหนไม่ได้สิแต่ถ้าเราปล่อยมือเสนหน่อยก็ไปได้สบายใจเราเมื่อไหกันถ้ารู้จักการปล่อยการวางเสนหน่อยรู้วิธีการปลดปล่อยปล่อยวางเสนหน่อยปัญหาที่ไหนอยาจะมาค้างอยู่ตรงนั้นนะปัญหาที่มันค้างอยู่มันก็คือเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจเท่านั้เองเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาละ ดังนั้นการเจริญสติปัญฐาสีเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาครบทุกขบวนการไม่มีอะไรเกินไปนั้นแต่ถ้าเราทำไม่ถูกทุกอย่างปัญหาก็ค้างคาอยู่นั่นแหละดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งแก้ปัญหาทีละอย่างหรอกแต่มาแก้จิตแก้ใจของเราเนี่เพราะจิตใจเป็นตัวสร้างปัญหาจิตของเราเป็นตัวสร้างปัญหาต้องแก้ที่ใจ เราแก้บ่อยๆนะไม่ใช่รอให้มันเกิดปัญหาเสียก่อนนะเราไปแก้ไม่ใช่เพราปัญหาโดยตัวของมันมันเกิดอยู่แล้วนะโอ้ตอนนั้นปัญหามันเกิดจะทําไงตอนนี้มันเกิดปัญหาแล้วเนะี่ยเกิดปัญหาตรงนี้จิตมันไม่อิสระจากความคิดเนี่ยคือตัวปัญหาแล้วจิตไม่อิสระจากการยึดอารมณ์เนี่ยเป็นปัญหาแล้วทีนี้จะทำไงให้จิตมันเป็นอิสระบริสุทธิ์จากความคิดได้เป็นช่วงๆละ เนี่ยเบื้องต้นให้ว่าสั ต, ตานังวิสุทธิยาบริสุทธิ์หมดจดจากความคิดนะสติเบื้องต้นที่สุดทําให้จิตเกลี้ยงเกลาจากความคิดและการยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าจิตยึดตลอดเวลานะบางครั้งมันเผลอปล่อยไปก็มีนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าไงเบอกว่าถ้าคนเรานะไม่มีนิพพานอยู่เลยเนี่ยมันจะเป็นบ้าเป็นโรคจิตเป็นตั้งแต่มันเกิดแล้วแต่นี่มันมีนิพพานอยู่ มารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักนี้ตั้งแต่นะโดยสัญชาตญาณแต่เขาไม่รู้จักยังไงการปล่อยการวางการสลัดความคิดมันมีอยู่โดยธรรมชาติแต่เขาไม่รู้จั ก, ก, ก, ก, รรพ เ, จกเพราะตัวนิพพานตัวนั้นตัวปล่อยตัววางวมันก็เลยไม่เป็นลักษณะถาวรเงมันเป็นชั่วแป๊บเดียวมันก็ยังสบายนะถ้าคนที่ปล่อยวางได้มากก็สบายมากคนที่ปล่อยวางได้น้อยก็สบายน้อยคนที่ปล่อยวางไม่ได้เลยก็ไม่สบายเลย แต่ความสบายมันมีอยู่แต่เขาไม่รู้จักยังไงการปล่อยการวางการสละความคิดสังเกตไหมจิตของเราไม่ได้คิดตลอดเวลานะบางครั้งมันไม่คิดก็มีใช่ไหมแต่เรารู้จักมันไหมไอ้ตอนที่มันไม่คิดเนี่ยไม่รู้จักหรอกไอ้ตอนคิดเรารู้จักไหมมันก็ไม่รู้จักหรอกเราเข้าไปในมันเลยเราคิดเราเข้าไปในมันไม่คิดเราเข้าไม่รู้จักอีกไอ้ตัวไม่รู้จักทั้งคิดก็รู้คิดก็ไม่รู้มท่านเรียกว่าอวิชชาเห็นไหมเพราะฉะนั้น ตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เท่าทันจึงเป็นเหตุต้นของปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะดังนั้นเราจึงมาสร้างตัวสร้างตัววิชาขึ้นไงเนี่ยเบื้องต้นที่สุดเลยนะทั้งตัววิชาคือตัวรู้สึกตัวเนี้เป็นตัววิชาแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยสร้างวิชาทางกายซะก่อนให้รู้สึกกายซะก่อนเพราะกายมันเห็นได้ง่ายแต่เป้าหมายคือต้องการรู้สึกใจนั่นแหละ แต่รู้สึกใจมันเห็นได้อย่างเป็นนามธรรมให้มารู้สึกกายซะก่อนพอะรู้สึกกายปับ๊บเดี๋ยวมันก็ไปรู้จิตเองแล้วรู้สึกกายก็ปล่อยวางเรื่องกายได้แต่ถ้ารู้สึกกายแล้วปล่อยววงเรื่องกายยังไม่ได้ไม่ใช่นะเพราะนั้นคุณธรรมเบื้องต้นของพระโสดาบันทึงจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไงสักยทิฐิคือให้เห็นถึงการปล่อยวางอัตตาตัวตนร่างกายนี้ ถ้าเรายังปล่อยวางอัตราตนไม่ตัวตนยังไม่ได้ไม่ใช่แสดงว่ายังรู้กายไม่ถูกอ่ะถ้ารู้กายถูกมันต้องปล่อยวางเป็นเราจะเห็นได้บางคนเมื่อก่อนเคยแต่งเนื้อแต่งตัวเคยกินอยู่ดีกินดีไม่ได้ต้องกินอย่างนี้ต้องอยู่อย่างนี้ต้องมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้แต่พอปฏิบัติทำไปสักพักหนึ่งเริ่มอ่ากินง่ายๆอยู่ง่ายๆไปง่ายๆ ทำอะไรงี้ยเนี่ยการปล่อยไว้ปล่อยวางเบื้องต้นมันเริ่มแล้วไงเมื่อก่อนแกมากินมาอยู่อยี้ไม่ได้อ่ากินอย่างดีต้องนอนอย่างดีต้องไปอย่างดียีโยมคนหนึ่งที่กรุงเทพเมื่อก่อนนี้แกเป็นขึ้นหาบดีเนี่ยมีคนใช้ในบ้านไปสิบสีคนแต่หลังจากมาปฏิบัติธรรมไมถึงปีคนใช้ในบ้านเริ่มหายไปทีละคนสองคนในที่สุดไม่มีคนใช้ในบ้านแกทาเองหมดเลยเพราะมันเริ่มสนุก ก, กับ การที่เป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนเอาตัวเองไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งตัวแต่หลังจากเจริญสติไปแล้วมันทำงานสนุกทาอะไรก็มันสนุกไปหมดเมื่อก่อนนี่มันมีอัตราตัวตนไงว่าฉันเป็นนายแกเป็นลูกจ้างนก็ต้องทำแต่หลังจากปฏิบัติมาแล้วมันเริ่มเห็นอ๋อเรากับเขาต่างตรงไหน่งก็รูปเหมือนกันก็นามเหมือนกัน่ะ แต่เราเราสมมุติว่าเราเป็นนายมันมันคิดเอาต่างหง่ะแหละ ส, ม, สมมุติอ่ะไปซุ้มแล้วเขาเป็นลูกทาเป็นลูกจ้างเนี่ยเขคิดเอาตังหงว่าเขาเป็นแต่ความจริงเขาก็ลุน่นามอย่างเราเราไปใช้เขาจะยากทําไมทําไมเราไม่ทำเสีเองละ่ะมันเริ่มกเกิดปัญญาแล้วทีนีน้คำว่าทุกข์เราไปคิดเอาว่ามันทุกข์อ่ะความจริงมันไม่ได้ทุกข์แต่เราไม่รู้คิดว่าเราเป็นเราเป็นทุกข์ความจริงมันไม่มีเราที่จะทุกข์มันมีตัวรู้สึกตัวเท่านั้นถ้ารู้สึก ทำไปแล้วรู้สึกมันสบายก็พ่อนให้มันสบายสิทำรู้สึกแล้วสบายก็อย่าไปยึดว่ามันสบายดิเป็นความรู้สึกทั้งหมดอ๋อเวทนามันหลอกเราเริ่มเห็นเวทนาแล้วเห็นไหมพอไปดูกายจริงๆให้ถูกมันเริ่มเห็นเวทนาดังนั้นเบื้องตน้นวันนี้เอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวจจเยอะไปจาไม่ได้นะขออนุโมทนานะ ความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้สัมมาสมาธิและส ม, มาสติอย่างถูกต้องถ้าใครจดจำทำได้ใช้เป็นเห็นชัดก็ไม่นานนะสมัยข้างพุทธกาลท่านแสดงธรรมา ท, ทีชั่วโมงเดียวคนเข้าใจบรรลุ ธ, ธรรมเลยก็มีแต่คนที่ไม่เข้าใจอยู่ขะโพงมาตลอดชีวิตก็ยังไม่บรรลุ ธ, ธรรมก็มี ไม่ใช่ว่าจะฟังพระุทธองค์แล้วจะบรรลุธรรมเดี่ยวๆทุกคนไปไม่ใช่ขึ้นอยูก่กับอินทรีย์ของเขานั้นันจึงขออนุโมทนาในความตั้งใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติในเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะได้หมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านทินลกลับพร้อมกัน